เทปชุดนี้บันทึกเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช25งพันยบเจบรรยายธรรมโดยพระมหามังกรปัญญาวโรวัดภูหินดังจังหวัดอุดรธานีเนื่องในงานบุรพาจารย์รำลึกณวัดดอนธาตุตำบลชายมูลอำเภอพิบู์มังสาหาร จวอุบลราชธานีพูดตามพระอีกแล้วได้แง่คิดใจได้แง่คิดแต่เราเอาปากเป็นเครื่องมือพูดสิ่งดีๆเป็นมงคลแก่แก่ปากด้วยเป็นมงคลแก่จิตใจด้วยกลอนต่อไปนี้จะบอกให้รู้ว่าชีวิตของเราหรือสังคมของพวกเรากับศาสนานี่ าศาสนามีความจำเป็นมากต่อชีวิตต่อสังคมอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสงบสุขอยากให้สังคมเจริญรุ่งเรืองสงบสุขเครื่องมือก็คือคนจะต้องมีาศาสนาถ้าขาดาศาสนาแล้วหวังให้เจริญไม่สมหวังหรอกถ้าขาดาศาสนาแล้วหวังให้มีความสุขไม่มีทางสมหวังหรอก โอ้โหหวังอะไรแล้วผิดหวังนี่มันเป็นทุกข์อยู่นะฉะนั้นถ้าไม่อยากผิดหวังอยากเห็นสังคมเจริญรุ่งเรืองอยากเห็นสังคมมีความสุขต้องมีศาสนาดังคำกลอนต่อไปนี้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าตามพร้อมๆกันและดังๆบ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนาต้องผดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาสุขเจริญปวงประชาสุขเจริญแหลงใดไม่เสริมศาสตร์แหลงใดไม่เสริมศาสตร์สีลพินาตรมห่างเหินศีลพินาตรมห่างเหิน แหลงนั้นย่อมยับเยินแหลงนั้นย่อมยับเยินสุขจำเริญบ่ห่อนมีสุขจำเริญบ่ห่อนมีกลอนต่อไปนี้ก็ให้ว่าตามอีกเขาจะเปรียบว่าปกติต้นไม้กิ่งใบดอกผลอาจจะยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราตัดเพียงแต่รากฝอย หรือแม้ตัดรากฝอยตัดรากแขนงต้นไม้กิ่งก้านใบดอกก็อาจจะยังอยู่ได้แต่ถ้าเราตัดรากแก้วส่วนที่ต่อจากลําต้นโดยตรงต้นไม้ถ้าขาดรากแก้วแล้วต้นก็อยู่ไม่ได้กิ่งใบดอกก็อยู่ไม่ได้รากแก้วจึงสำคัญมากสำหรับต้นไม้เหมือนกับสังคม น้ำไม่ค่อยไหลไฟไม่ค่อยสว่างทางไม่ค่อยสะดวกเขาก็อยู่ได้ถ้าสังคมมีรากแก้วอะไรเราคือรากแก้วศีละธรรมฉะนั้นต่อไปนี้เชิญผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่ากรอนเพื่อเป็นคติธรรมเราจะได้มีแก่ใจในการสั่งสมคุณธรรมจริยธรรมด้วยใจจริงเอาว่าตาม อันศิลธรรมเปรียบได้คล้ายรากแก้วอันศีลธรรมเปรียบได้คล้ายรากแก้วขาดรากแล้วกิ่งใบไม่ไพศาลขาดรากแล้วกิ่งใบไม่ไพศาลคนจะดีมีสุขชั่วกาลนานคนจะดีมีสุขชั่วกาลนาน เพราะรากฐานประพฤติดีมีศีลธรรมเพราะรากฐานประพฤติดีมีศีลธรรมนี่แหละพี่น้องมันเป็นความจริงนะนี่เราไม่ได้พูดเพื่อความเพราะอย่างเดียวแต่มันเป็นความจริงเลยว่าถ้าไม่มีศีลธรรมในสังคมไม่มีรากฐานถึงจะถนนดีก็อยู่กันอย่างเต็มไปด้วยภัยถึงจะไฟสว่างน้ำไหลสะดวกก็จะอยู่กันอย่างหวาดผวารุ่มร้อน มีแต่ปัญหาสารพัดฉะนั้นให้ทุกคนช่วยสร้างฐานของสังคมถ้าเรื่องอ่านธรรมะแล้วต้องตั้งใจอ่านถ้าฟังธรรมะก็ต้องตั้งใจฟังปฏิบัติธรรมะก็ต้องตั้งใจจริงๆเพราะเรื่องสำคัญทำเล่นไม่ได้เรื่องศีล ร, รับก็ตั้งใจรับรับแล้วตั้งใจปฏิบัติเพราะศีลนั้นมันทำคนให้สูงค่า ทำคนให้มีความสําคัญศีลอยู่ในผู้ใดทําคนนั้นให้น่ารักศีลอยู่ในผู้ใดทําคนนั้นให้น่าเคารพตรงกันข้ามแม้จะรูปหล่อแม้พ่อจะรวยแม้จะจบด็อกเตอร์แต่เลวซามสิ้นดีใจดําอมหิทธิงกว่ายักษ์กมานประเภทรูปหล่อพ่อรวยเรียนจบสูงแต่เลวซามไม่มีศีลมีธรรม คนอย่างนั้นเขาไม่ต้องการเหมือนกับคนด้อยค่าเหมือนกับคนไร้ค่าเหมือนกับคนสิ้นความหมายฉะนั้นศีละธรรมแม้เราจะจนแต่เรามีศีลมีธรรมก็เป็นจนที่น่ารักน่าเคารพแม้เราจะผอมกระรองเป็นลูกบ้านนอกบ้านานาเรียนก็ต่ำแต่อยู่ในศีลในธรรมการทำการพูดอะไรออกมาก็จะน่ารักน่าเคารพน่านับถือ ศีลจึงเป็นเครื่องประดับที่สำคัญมากกว่าแก้วแหวนเงินทองหรือเสื้อผ้าเขาจึงบอกว่าประดับศีลประดับกายอะไรนะประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับแหวน ประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับส้อยเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้มีใครบ้างที่อยากจะให้ตัวเองได้สิ่งสําคัญมีน้อยก็ต้องมาวกเขาอีกแหละคนใจสูงมันมีน้อยกว่าคนใจต่ําคนใจบุญมันมีน้อยกว่าคนใจบาปฉะนั้นไม่แปลกดอกวัวตัวใหญ่เริ่มเทิมมีเขาแค่สองเขา วัวบางตัวไม่มีเขาเลยแต่พอขนละ่ะเต็มตัวไปหมดหางก็มีขนเยอะตามลำตัวก็ขนเยอะเหมือนโลกทั้งโลกเปรียบเหมือนวัวตัวหนึ่งคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์คนที่จะไปเป็นพระอินทร์พระพรหมมีน้อยเพราะมันต้องผ่านความยากอย่างที่ตันทั้งหลายนั่งฟังเทศน์นี่แหละแต่ที่จะตกนรกนะเหมือนขนวัวขนควายนับไม่ถ้วน นี่คนจะขึ้นสวรรค์นี่นับได้นะนี่ไม่กี่คนเองนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนโชคดีแล้วทา้งไปสวรรค์น่ะมันหกทา้งไปนรกน่ะมันแปนไปง่ายง่ายขนอยากซัวอยากตกนรกตีหัวคนดาพ่อแม่หมอนี้บ่ต้องมีโรงเรียนสอนหรอกง่ายปานยังโรงเรียนสอนดมเกากับบ่มี แต่ขันวัดเขาสิทเทศสิยังโอ้ยเขาอยากห้ใจสูงใจงามจังแมนหาผู้ฟังอยากมันสิได้จังคนมาฟังเทศและเนาะบอมเนโตวาเด้ไหมคดสงสารบ้านเมืองมันอาภัพอีหยางสันดกเอาศีลธรรมสำคัญวากอนตามอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวย บุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีสมณะสงฆ์ไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีงงมม um ากา็เลวสามจบปุ้ยจังแมนแม อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยว่าแต่งามปันได้ก็คือจังมดความสวยบนาสนมาตอผู้ใดก็เสียว่าโอ้ย น, นั่งนังางามงามแต่ปากจัดเจ้าสู้ยังโอ้ยอยากเอาเป็นเมียเด็กเขาบ่เอาเขาบ่สนดอกขันเขาโหนงามกับมดความหมายหล่อนี่อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยสวยแต่บ่มีคนสนใจเขาโหนว่าเลวเขาโหาว่าหลายใจเขาโหนว่าปากจัดเครียดให้ผู้ใดเนี่ยดาจัดจัดจัดัล่วงให้ก็ปืนกลอย่างสีเม่นไผ่สิกาว นั่นล่ะสวยเมิดคาบรุษด้วยไม่มีศีลก็สินส้นสีเป็นพระเอกลูลรอสมาร์ชใช่เอื้อสามศอกมันสิแปดศอกก็ตามกันมันสัวละผู้ใดน่อยากเอาเป็นผัวเตะตบต่อยตีตีตลูกตีเมียเตะลูกเตะเมียแต่ลูลรอได้หระเอาบอกฮะแนวนั้นบอสนได้เนาะ มัดศักดิ์ศรีเลยผู้ใช้อกสามศอกแปดศอกเขาบวหัวซ่าจอยย่อนบวมีศีลสมณะสงฆ์ไม่มีศีลก็สิ้นดีโกนผมก็แม่นี่หลีหอมเหลืองก็หมอมมีหลีแต่ปะทุบวมีศีลจะคอน่กาบลงบ่โกนผมหอมเหลืองแบกปืนอากาไปหาอะไรฟันค้นยิ่งข้นยังสีโอ้มันนับถือบวลงแหละมดคาอีกคือกันน่น ต้มนมดโตก็บมดคาย่อนบไม่ศีลขาราชการศีลไม่มีก็เลวซามโตแทนพระเจ้าแผ่นดินได้ขาราชการกินเงืเ่อนเดือนหลวงของแผ่นดินดูแลประเทศแท่นพระเจา้าโยห์หัวข้าบแปลว่าผู้รับใช้ราชาแปลาพระเจ้าแผ่นดินการะเราผู้ทำมาทํางานดูแลประเทศซอยพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็โอ้โหย เลวสามสิ้นดีเลยเพราะเป็นการเลวแบบทรยศต่อคนทั้งชาติกินเงินเดือนของคนทั้งชาติพระเจ้าแผ่นดินไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เข้าไปสู่ระบบข้าราชการถ้าเราจะเลวก็ไม่ต้องไปสู่ระบบราชการมาเลวกับไร่กับนาตัวเองค้าขายขี้เกียจไม่อยากเปิดร้านก็นอนให้มันถึงเที่ยงนะมันอย่างนี้มันเสียงานตัวเองถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันเท่ากับทรยศต่อแผ่นดินนะถ้าไม่ดี ฉะนั้นกรอนเมื่อกี้นะ่ะถึงจะเป็นกรอนแบบไทยๆแต่มันมีสัจธรรมที่เป็นจริงจะพูดกี่ครั้งกี่หนจะพูดยุคไหนสมัยใดก็ยังเป็นจริงตลอดนี่แหละสัจธรรมคือของจริงในช่วงนี้พี่น้องก็ได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและก็ได้ว่ากรอนตามอัตมาแล้วต่อไปนี้เอาบุญที่ยิ่งใหญ่และสาคัญ กายท่านพร้อมแล้วได้ที่นั่งแล้วต่อไปสำรวมใจให้เป็นสมาธิฟังเทศเอาบุญมากๆได้บุญมากแน่ท่าใจไม่ฟุง้งเวลาฟังเทศได้บุญมากแน่ท่าใจไม่กระเจิดกระเจิงกระเสะกระเสิงนอกตัวให้ใจเกาะติดคำพูดขณะที่เรานั่งเรามีศีลขณะที่ฟังเทศใจไม่ล่องลอยเรามีสมาธิ เมื่อตั้งใจฟังทุกถ้อยทุกคำจะรู้เรื่องเข้าใจดีเราได้ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่พาคนไปเป็นอรหรันยิ่งมีศีลสมาธิปัญญามากยิ่งใกล้ความเป็นพระอรหันต์มีศีลสมาธิปัญญาถึงขั้นสูงได้เป็นพระอรหันต์ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เป็นอรหันต์ค่ำคืนนี้แต่เรารับ กล้ารับเบีย้ยของศีลสมาธิปัญญาด้วยความเอาใจใส่ท่านมีศีลแน่นอนขณะฟังเทศท่านไม่มีโอกาสไปประพฤติผิดศีลข้อใดยิ่งถ้าท่านควบอารมณ์ได้ท่านจะมีสมาธิอยู่ในขณะฟังสิ่งที่ฟังแล้วรู้เข้าใจนั่นคือเครื่องประดับชีวิตเพื่อจะยกพัฒนาภพภูมิของตัวเองให้วิญญาณไปเกิดในภพภูมิที่ดีเพราะเป็นวิญญาณที่ ร่ำรวยด้วยคุณศีลคุณธรรมมีบารมีติดวิญญาณไปเยอะอาตมาอยากจะอาสารับใช้พระพุทธเจ้าเอาธรรมะดีๆมาพูดมาเล่าให้พี่น้องฟังช่วยขัดเกลวช่วยเสริมสวยช่วยตกแต่งความคิดของพี่น้องเพื่อให้คำพูดของอาตมามีคุณมีค่ามีประโยชน์กับพี่น้องแล้วอาตมาก็จะกลายเป็นชีวิตที่มีค่าแม้จะเป็นลูกบ้านนอกที่ยากจน แต่การทำการพูดอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ชีวิตของลูกบ้านนอกก็มีค่าขึ้นมาอาตมาจึงไม่เคยเทศแบบมักง่ายอยากจะให้คนได้ดีจริงๆเทศจากจิตจากใจไม่อายเลยเพราะกล้าพูดอย่างนี้และทำมานานแล้วด้วยตั้งแต่สมัยเป็นเนนก็งานเผยแผ่ก็เยอะเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ผู้ใกล้ชิดก็จะรู้ดีไม่เบื่อหรือ ก็พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วมันสบายไหมก็ไม่สบายหรอกแต่ทิ้งลูกไม่ได้ทีนี้อาตมาก็มีความรักในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอยากให้ช่วยเผยแผ่ศาสนาให้บรรดาสาวกมาช่วยกันอาตมาก็ดีใจที่ลูกบรร น, นอกคนหนึ่งมีโอกาสรับใช้พระพุทธเจ้าเอามารดกคือคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฝากพี่น้องของสูงของประเสริฐที่จะพาพี่น้องให้พ้นนรกของสูงของประเสริฐ อยากให้พี่น้องมีกันทุกคนอยากเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็จะสมหวังถ้ามีธรรมะหรือมีคุณธรรมสูงถึงระดับอยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมก็สมหวังถ้ามีคุณธรรมติดวิญญาณไปถึงระดับแต่ถ้านั่งปรารถนาเฉยๆเท่ากับว่าหลอกลวงตัวเองอยากรวยก็มีแต่นั่งอยากอยากยา ก, ยากแต่ไม่ขยันทํางานไม่สะสมไม่เก็บหอมรอมริบ อยากเรียนเก่งก็มีแต่นั่งอยากเรียนเก่งแต่ขี้เกียจหน้าดูไม่ไปเรียนกระโดดร่มไม่หนีโรงเรียนบ่อยฉะนั้นความคิดที่หวังกับการกระทําอย่าให้มันสวนทางออนซอนเดอพอเมโกบายอาจารย์เพื่อนมีบุญไม่บารมีคันออนซอนก็นเห็ดคือเพื่อนตี้หอะอพุตธเจ้าหนะ้าเป็นผู้ประเสริฐอ่อนซอนเพื่อนเดอเพื่อนกันบบอหามได้หระคันเฮาอยากเป็นผู้ประเสริฐแต่ยสินังปราถนาซื่อ นี่คือขันอาตมาเทศปั๊บอาตมาก็เอาบุญโหลดก็เลยว่าเอ๊ให้พี่น้องเป็นในสวดเน่ยนะให้ได้เบาตามพระแนี่ยดีง า, งามเอากายมาใส่ในทางดีนะเมื่อนี่เอากายของพ่อแม่พี่น้องเอาปากของพ่อแม่พี่น้องให้มาเบาในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นวังหันติผ้าเบาก่อนเดี๋ยวกะสิว่าเอ้ยเป็นแค่ให้เบาตามปานคู่กับนักเรียนเออมันบ่ผิดกฎหมายแต่ ว, ว่าตามพระนะมันผิดมาตราไหน <laughs> ว่าเป็นบาปดอกฉะนั้นดีคันบ่ดีอตาตมาบ่าใไฮว่าน้ำดอกก็เลยใไฮว่าในทางที่ดีๆเา้าก็ได้บุญอีกแบบนึงต่อไปในฟังเทศเนาะบันนี่เซเลิมนะโมตัส <c oughs> <c oughs> พระควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอระหโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอระหโตสมมาสัมพุทธะ ปุญญานิปะโลกัดสมิงปะติทาโหติปานินานติเชิญพี่น้องนั่งแบบสบายไม่ต้องประนมมือแต่สำคัญที่สุดคือใจผู้เทศก็จะพยายามเทศด้วยใจที่เป็นสมาธิและผู้ฟัง อาตมาก็อยากให้ท่านฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิงานของพวกเราในคราวนี้การจัดงานในคราวนี้เกิดขึ้นจากเหตุคือความตั้งใจที่งดงามมากเลยการที่ท่านทั้งหลายแสดงออกณนะขณะนี้นั้น เป็นการปรารภทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ดีมากเหลือเกินฉะนั้นอาตมาอยากสนับสนุนการกระทาที่ดีอย่างนี้การที่ผู้ใดก็ตามเป็นคนดีมีคุณค่ามีความประเสริฐจะเป็นพ่อแม่ก็ตาม จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามถ้าคนนั้นเป็นคนดีมีคุณคา่ามีคุณมีค่ามีประโยชน์มีอุปการะนั่นคือส่วนสำคัญแห่งชีวิตของคนบุคคลใดเกิดมาไม่มีความดีไม่มีคุณแก่ใครไม่มีค่าแก่ใคร ไม่เป็นประโยชน์เก่ใครอยู่ไปวันๆคอยวันตายเพื่อการตายอย่างเน่าเหม็นแล้วสิ้นค่าเป็นชีวิตที่น่าเสียดายไม่รู้จักวิธีทาตัวเองให้เกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์ธรรมชาติหลายอย่างมีขึ้นมาแล้วมันเกิดคุณโดยธรรมชาติ หลายสิ่งในโลกนี้มีขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์โดยธรรมชาติมนุษย์เราบางคนเกิดมาก็มีคุณมีประโยชน์โดยธรรมชาติเพียงน้อยนิดแต่ถ้าตั้งใจฝึกฝนอบรมพัฒนาตัวเองให้มันมีคุณค่ามากๆตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีประโยชน์มากๆ ตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เกิดบุญมากมากเกิดบารมีมากมากถ้าตั้งใจจะฝึกถ้าตั้งใจจะอบรมได้ทั้งนั้นแหละอยากเป็นนักร้องที่ดกีก็ตั้งใจฝึกฝนจนเป็นนักร้องนั่นอยากเป็นหมอลาอยากเฉยเฉยมันไม่ได้ดีดอกมันต้องไปฝึกฝึกจนเป็นฝึกจนดังก็เยอะแยอะอยากเป็นนักมวยอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นนักเทศ อยากต้องฝึกฝึกแล้วมันถึงจะเป็นอยากเป็นนักบุญก็ต้องรู้ว่านักบุญเขาใช้ชีวิตแบบไหนจะทํทำอะไรก็ต้องคำนึงความดีในการทำเพื่อให้มันติดนิดสัยข้างในจะอยู่ในวัดหรือนอกวัดจะพูดกับใครก็ต้องพยายามพูดให้ดีอย่าไปโกหกตอแหลลวกลวกหลอกล ว, กล ว, กลวกตงต้วงตุ๋นเอาปากพูดในทางดีจนเคยตัวแล้วติดนิดสัยที่วิญญาณ นักบุญเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องน่งสีนั้นสีนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบุญเฉพาะวันพระจะวันไหนก็ทำดีพูดดีคิดดีนั่นแหละนักบุญที่แท้จริงวิธีทำตัวให้มีคุณมีค่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักบุญที่สมบูรณ์แบบคนเราจะเป็นใครก็ตามเพศไหนก็ตามเนื้อหนังมังสาตายแล้วเขาไม่เอามาปิ้งกินเหมือนกบเหมือนเขียดหรอก หมดค่าหมดความสําคัญเขากลัวเน่ากลัวเหม็นก็เอาไปเผาเอาไปฝังทั้งนั้นแหละจุดจบนั้นไรค่าเหลือเกินแต่ชีวิตที่มีค่ามันอยู่ตรงที่ตอนยังไม่จบว่าท่านใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นชีวิตไร้ค่าไร้ความสําคัญ แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นจะเกิดคุณเกิดค่าเกิดความดีเกิดความสำคัญท่านเลือกทางเดินเถอะเสียดายว่าชีวิตผ่านไปมากแล้วเห็นทางชัดเจนหรื อ, อยังว่าจะเป็นนักบุญต้องใช้ชีวิตแบบไหนให้มันชัดเจนเสียเถอะอย่าแกว่งไปแกว่งมาเลยมันจะหมดโอกาสแล้วชาตินี้พอตื่นก็ตื่นเสียพรพุทธศาสนามานานแล้ว อย่ารูรรบๆคลำคลำตะเกียกตะกายหัวปักหัวขมำ ม, มันน่าสงสารนะถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลจริงๆนี่แหมชีวิตมันน่าจะรู้ทางดำเนินอย่างชัดเจนมั่นใจว่าแบบไหนมันพาเจริญแบบไหนมันติดนิดสัยดีแล้ววิญญาณไปเกิดชาติหน้าจะสะดวกสบายมันต้องมองให้ตลอด แค่เห็นแก่ปากแก่ทองในวันนี้แล้วไปเดือดร้อนวันน้าวันหน้านะมันไม่คุ้มค่าหรอกกินเมาสนุกวันนี้แต่เวลาสอบตกวันหน้ามัวแต่กินไม่ไปเรียนมัวแต่เที่ยวไม่ไปเรียนมัวแต่เมาไม่ไปเรียนมันก็สนุกนะเที่ยวกินเที่ยวเมาแต่ความสนุกตัวนี้แหละมันเป็นดาบที่ทําลายอนาคตมันเป็นศัตรูแห่งอนาคตที่ดีของชีวิตมันเป็นภัยต่อชีวิตมันเป็นโทษต่อชีวิต คนอื่นทําไม่ดีกับเราเราก็เกลียดเขาคนอื่นทําให้เราเดือดร้อนเราก็เกลียดเขาแต่พอตัวเองสร้างนิสัยเลวทําให้ตัวเองเดือดร้อนในวันข้างหน้าทําไมไม่เกลียดตัวเองเพราะไม่ยึดหลักพระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าอัตนาโจทยั ต, ตานังคนจะรู้ข้อด้อยข้อเด่นของตัวเองต้องมีการพิจารณาตัวเองบ่อยๆ อ, อะไรที่เราดีแล้ว ภูมิใจให้รักษาความดีไว้และพยายามทำเพิ่มเติมให้มากอะไรที่เรายังแย่บกพร่องนี่แหละคือเหตุจะทำให้วิบัติพบชาติวิบัติทรัพย์สินวิบัติก็เพราะความเลวเกียรติศักดิ์ศรีไม่มีเหลือก็เพราะความเลวอยากไปสวรรค์แต่ไปตกนรกก็เพราะความเลวก็ต้องให้รู้บ้างว่าอะไรที่มันจะพาเราต่ำต้อยเป็นสารวัตเตี้ยลงก็ต้องคิดถ้าไม่คิดจะโง่ไปตลอด เรื่องง่ายๆก็จะโง่ถ้าไม่คิดพ่อแม่ลาบากแค่ไหนเห็นทุกวันถ้าไม่คิดก็ไม่สงสารดอกว่าพ่อแม่ลาบากอาบเหงื่อต่างน้าร้อนทนทุกวันในเพื่อใครแม่นี้เมื่อมีลูกหมายฝังปลูกให้ศักดิ์ศรีลูกโตได้ดิบดีตัวแม่นี้คงสุขทุกเวลาหากลูกมัวชั่วช้าสุดทนแท้ แม่จะแลเห็นไหนได้บังหน้าถึงไม่ชั่วก็เลวทั่วตัวมันดาเมื่อถึงคราลูกไม่ดีมีมนถินหยาดเงือสละเพื่อใครหากมิใช่เพื่อลูกเออยะ คือมันเป็นจริงอย่างนั้นลำบากวันแล้ววันเล่า ว, วันแล้ววันเล่า น, นี่ลูกไม่ได้บังคับพ่อแม่เลยแต่พ่อแม่น่ารักลูกมากจึงยอมทุกยอมยากยอมยอมลำบากแต่ที่ยากแสนยากลำบากแสนลำบากอย่างนั้นน่ะลูกสงสารแม่ไหมจิตใจน่ะสงสารแม่ไหมไม่สงสารถ้าเราไม่รู้จะคิดตื่นขึ้นมาก็ไม่คิดกินข้าวไปโรงเรียนใครเป็นคนลุกแต่ดึกหุงข้าวให้กิน เสื้อผ้าขาดได้มีเสื้อผ้าใหม่ใครเงินของใครเงินที่ไปซื้อนะ่ะพอแม่รับจ้างรายวันหาเช้ากินค่ำมันน่าเห็นใจไหมขันบองโหวจะขดจอยทรมานพ่อแม่อยู่จังสันละ่ะบองโหวจะให้พ่อแม่พ้นจากนรกดิบดิบจา้าเถื่อนายแล้วก็บบองโหวจะคว่ำมีครอบคข้วแล้วก็ยังสร้างปัญหาอีกแบบหนึง่งพ่อแม่ก็เลยอยู่นรกดิบบ่ท่านใดตายตกนรกอีกประเภทสองซ้ำ กินทรมานนอนทรมานอยู่กับไอาบานอายเมืองลูกเจ้าของบอกคือบานคือเมืองโอ้ยจังแมนสั่งนรกขังพ่อขังแม่จังแมนเก่งเนายะย่อมผบาญก็เสียเอาคนซัวลงนรกอันนี้ลูกมาทํำนาทีเป็นย่อมพบาลเพ็รไทยพ่อแม่กินบะได้นอนบะหลับเพ็รไทยพ่อแม่หน้าตามนหมองบ่แจ่มบ่ใสนําบานนําเมืองแล้วไม่จะแน่อุบแนวอังไม่จะแนวอับแนวอาย นั่นละ่ะขันบ่คึกบ่สงสารพ่อแม่ดอกขันคึกคักๆนี่นาสงสารได้พ่อแม่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายกว่าจะเกิดเป็นงานนะ่ะอัตมาได้มาถามคือเอาพูดถึงลำดับก่อนกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้นะ่ะเกิดยังไงลองไล่ลำดับดู อัตมาพิจารณาตามลำดับแล้วอัตมาสะออนคือรู้สึกว่าปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจอัตมาคิดยังไงมันถึงเกิดความปลื้มใจอัตมามองแบบไหนจิตใจอัตมามองยังไงคือมองว่าคนในสังคมนี่มันเยอะแยะเกิดมาแล้วไม่มีประโยชน์ก็มีแล้วก็ตายไป บางคนเกิดมาไม่มีประโยชน์และยังมีโทษก่อกรรมทำข็นสร้างความเสียหายสร้างความวิบัติสร้างความหายณนะแล้วก็ตายไปแต่บางคนเกิดมาใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองจนมีความรู้ดีจนมีความสามารถดีจนมีประสบการณ์ดีและมีคุณธรรมดี เมื่อมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจเขาจะทุ่มเทเวลาเขาจะทุ่มเทความรู้เขาจะทุ่มเทความสามารถเอาความรู้ของตัวเองเอาประสบการณ์ของตัวเองเอาความสามารถของตัวเองออกทําคุณทําประโยชน์นี่คือคนที่มีน้ำใจเช่นอย่างพระพุทธเจ้าวันแต่ละวันเสียเวลาเหนื่อยมากกับการที่ทุ่มศักยภาพของตัวเองออกมาชนิดที่ว่ากระเทาะเปลือกหัวใจอะไะ เมตตาสงสารคนอื่นก็สุดๆเมื่อสงสารมากเหนื่อยก็ช่างไม่คํานึงละตัวเองขอให้คนอื่นได้ประโยชน์ทํางานแทบตายก็ไม่มีใครมายกย่องเพราะไม่ได้คํานึงว่าจะให้ตัวเองต้องได้รับการยกย่องแต่ทําเพื่อเมตตาทําเพื่อสงเคราะห์ทําเพื่อช่วยเหลือทําเพื่อเกื้อกูลนี่น้ําใจอย่างนี้หายากพระพุทธเจ้าจึงตายเฉพาะร่างกายแต่คุณอันประเสริฐ ประโยชน์อันล้ำค่าอุปการะที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยตายยังเป็นคุณเป็นประโยชน์จากสติปัญญาของท่านยังฝากฝังไว้เป็นมรดกในทางคาสอนแบบอย่างชีวิตที่ท่านเจอปัญหามากมายแต่ท่านผ่านชผ่านช่วงนั้นช่วงอุปสรรคไปได้ท่านแสดงถึงคุณสมบัติบางอย่างเมื่อเจอปัญหาท่านต้องอดทนแค่ไหน จะผ่านปัญหาได้ท่านต้องใช้ปัญญาแค่ไหนถ้าเราอ่านประวัติของพระองค์แล้วมาเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นตัวอย่างของชีวิตเราก็ถือว่ามีบรมครูเป็นพี่เลี้ยงมีบรมครูเป็นเทรนเนอร์ชีวิตท่านไม่ทำตัวเองให้เป็นคนมีวาสนาบ้างหรือหรือจะเอาประเภทที่กดขวดแบนขวดกลมเป็นสระน วันแต่ละวันถ้าไม่ไปหาเขาก็กลัวเขาจะว่าลืมเพื่อนเขารินเหล้าให้ก็ไม่กินก็กลัวเพื่อนจะว่าไม่มีน้ําใจโอ้ยจังไม่เพื่อนเอาใจเนอย่านผิดใจขี่เหลราแต่บ่ญานิผิดใจลูกเมียบ่ญาติผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมบ่เป็นยังอย่าให้ผิดใจมู่ขี่เราโอ้ยก็แสดงว่าเอาขี่เหลรานี่เหนือพระพุทธเจ้าก็บรรตองว่าพุทธังสระนังคัตฉามิแล้วก็สันขี่เลราสระนังคัตฉามิ ขี่โบขีไผ่สารนังคัดฉามิสีเมยสิยากเพื่อขี่โบขีไผ่สิยากสีลำบากเพื่อขี่เราขี่ยาโอ้ยกะคนจังสันบส่สีเอามาเถิดมาทุนให้คึดบังคั ก, กอิหยังสูงข้นให้อยู่สูงอีหยังต่ำกะควรให้อยู่ตำ่ำมูดีปันไดกะ บ, บ่ลืนพอลืนแม่ดอกกะดีซ้ำมูนะะั่นล่ะซื้อขนมให้กิน